พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมจี๋จะมีการปิดกั้นการเข้าออกในช่วงเวลา14นาฬิกาจึงไม่สะดวกสำหรับญาติโยมที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะว่ามาแล้วอาจจะไม่ทราบเวลา ที่จะกลับได้พอไม่ทราบว่าเขาจะเปิดให้กลับเข้าออกได้ในเวลาใดจึงของดการแสดงธรรมธรรมะบนเขาและงดการรับแขกไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมากังวลว่าถ้าขึ้นมาแล้วจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่ อันนี้ก็เป็นไปตามเหตุการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทกันให้รีบตักตวงประโยชน์ของตน และของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือให้ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังปริยัตปฏิบัตปฏิเวดเพื่อมรรคผลผนิพพานเพื่อการหลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าเรากำลังหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อเป็นการต่อพบต่อชาติต่อการเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนา มาสั่งมาสอนพวกเราก็จะไม่รู้จากเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อมรรคผล น, ผนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่มีใครจะรู้เรื่องนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอน ม า, มาประกาศพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะคิดว่าความสุขของพวกเราอยู่ที่การหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันแล้วเราก็จะต้องติดกับการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะนี่คือวิธีสร้างพบสร้างชาติ สร้างการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาลาบยศสรรเสริญเป็นเหมือนกับการหายาเสพติดเมื่อหาแล้วก็จะติดได้มาแล้วก็อยากจะได้อยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งที่ได้มามันก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป พอหมดแล้วเราก็ต้องหาใหม่ร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นของชั่วคราวเช่นเดียวกันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเมื่อมีความอยากที่จะหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่เวลาที่ร่างกายอันนี้ตายไปแต่ความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะยังมีอยู่ภายในใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้จึงดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ ไปได้ร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้หาราบยศสัจรเริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่นี่คือการหาความสุขของพวกเราที่พวกเราได้ทำกันมาอย่างยาวนานและก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา มาพบกับพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบวิธีหาความสุขที่ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องมีไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็มีและไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้า คือการหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากการทําใจให้สงบเพราะว่าเมื่อใจมีความสงบใจก็จะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมามีร่างกาย เพื่อมาหาความสุขแบบนี้อีกต่อไปพราะมีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากการศึกษาปฏิบัติและบรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเราปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกันปริยัติแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่เราจะได้รู้จากวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้การเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเรารู้วิธีแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติขั้นที่1ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าปริยัตคือการศึกษาเพื่อทำคำสอนพอศึกษาแล้วก็ให้เอาไปปฏิบัติ ทรงสั่งสอนให้ทำอะไรก็กทำตามที่ทรงสั่งสอนเมื่อได้กระทาตามที่ได้ทรงสั่งสอนอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วปาิเวสคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาผลที่จะได้รับก็คือมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นขั้นๆไป มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขั้นพระโสดาบันขั้นที่สองคือพระสกิฎาคามีขั้นที่สคือพระอนาคารามีและขั้นที่สคือพระอระหันต์เมื่อได้ปฏิบัติไปได้ศึกษาไปควบคู่กันไปมรรคผลนิพานก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นขั้นขั้นไป จนถึงขั้นสูงสุดจนได้พบกับความสุขที่สูงสุดที่เรียกว่าบรลมะสุขเมื่อได้บรล ม, มาสุขแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะมีความสุขที่วิเศษอยู่ในใจแล้วใจไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากภายนอกแล้ว ก็เลยไม่ต้องปไามามีร่างกายมาหาลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันอย่างนี้เรียกว่าประโยชน์ตนยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือให้เรา ศึกษาให้เราปฏิบัติให้เราบรรลุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเพราะจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงสําหรับจิตใจเพอะจะทําให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแล้วก็ไม่มีความทุกข์เมื่อละเมื่อได้ยังประโยชน์ของตนได้ถึงพร้อมแล้วขั้นต่อไปก็ไป ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคือเอาธรรมะที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเพื่อผู้ที่ไม่รู้จะได้รู้จักวิธีสร้างธรรมะสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็คืองานของพวกเรา ที่พวกเราควรที่จะทำกันอย่าไปทำงานอย่างอื่นเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจแต่มันเป็นโทษกับจิตใจงานหาราบยศสรรเสริญงานหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นการสร้างโทษคือสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจเพราะ ลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเป็นความสุขชั่วคราวเวลาที่มันหมดไปก็จะทำให้ใจทุกข์แล้วก็จะทำให้ใจต้องนิ่นรนหาหามาใหม่หามาได้มากน้อยเพียงไรในที่สุดก็ต้องหมดไปเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือ ก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงจะต้องมีวันที่ไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้เมื่อไม่สามารถหาได้แต่ใจยังมีความอยากมีความสุขอยู่ก็จะมีความทุกข์เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติด เวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานใจและอาจจะทนไม่ไหวถึงกับตายไปเพราะความทุกข์ทรมานของใจที่ขาดการเสพ ย, ยาเสพติดใจที่ติดกับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาที่ ร่างกายไม่สามารถหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผดภ พ, พมาให้ใจเสพได้ใจก็จะทุกข์ทรมานจนทําให้ร่างกายนี้ตายไปได้บางคนก็ฆ่าตัวตายเพราะอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์เพราะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นั่นเอง นี่คือโทษคือภัยสำหรับผู้ที่ยังหาความสุขจากลาบยศสรรเส ร, ริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่และนอกจากนั้นเวลาร่างกายตายไปแล้วก็ไม่ได้จบเพราะใจก็ยังมีความอยากหาลาบยศสรรเส ร, ริญอ ย, อยู่เหมือนเดิมก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ แล้วก็มาทุกข์กับการหาแล้วก็ทุกข์กับการรักษาแล้วก็มาทุกข์กับการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขไปเราพวกเราถือว่าเป็นพวกที่มีโชคมีวาสนาเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ จะทำให้เราได้รับรังวัลอันยิ่งใหญ่จากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากพระพุทธศาสนาก็คือได้รับความสุขแบบที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันได้รับความสุขที่ถาวรที่ไม่มีความทุกขมาตามมาในภายหลังจะมีแต่ความสุขไปตลอดถ้าเรา ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้วิธีที่จะทำให้พวกเราได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ได้หลุดพ้นจากการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็คือการทำทานการรักษาศีลและการภาวนานี่เอง อันนี้เป็นบันไดสามขั้นที่จะพาให้เราได้เป็นอิสระจากการเสพยาเสพติดของราบยศสนรเสริญของรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องพึ่งราบยศสนรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะมาให้ความสุขกับเรา ก็เราจะมีความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้มาให้ความสุขกับเราแล้วก็เป็นความสุขที่เราสามารถรักษาไว้ได้ให้อยู่คู่กับเราไปได้ตลอดแม้จะไม่มีร่างกายก็ไม่มีปัญหาความสุขนี้อยู่ที่ใจไม่ได้หมดไปกับร่างกาย ไม่เหมือนกับความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผพธภะที่เวลาร่างกายตายไปแล้วความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายลาบยศสรรเสริญก็จะหมดไปก็ทำให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายว้าเวเศร้าส้อยงอยงอจึงทำให้ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ เพื่อที่จะได้มีความสุขจากการเสพลาบยศสรรเสริญเสพรูปเสียงกินรดใหม่แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บไข้ได้ป่วยของความตายของการพัดพรากจากกันจากพบน้ชาตินี้ของพวกเราเป็นพบชาติที่วิเศษ เป็นโชคพบชาติที่เป็นเป็นโชคอันยิ่งใหญ่เหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นการได้ถูกรางวัลที่หนึ่งคือจะได้รับมรรคผลนิพพานได้รับบรรมมสุขนิ บ, บานังปรมังสุขขังได้รับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เ, ออเมื่อเราถูกลอตเตอรี่แล้วสิ่งที่เราควรจะทำกันก็คือเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นรางวันกันออถ้าเราเก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆไม่เอาไปขึ้นรางวันถึงแม้ว่าจะรางวันจะให้มีราคามากน้อยเพียงไรก็จะไม่ได้รับรางวันถ้าเราเก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆ พอถูกลอตเตอรี่แล้วเราก็ต้องไปสำนักสำนักงานสลากกินแบ่งเอาลอตเตอรี่ที่เราถูกนี้ไปยื่นให้กับเขาแล้วเขาก็จะได้มอบรางวัลให้กับเราอย่างใดรางวัลของพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานก็ต้องเอาไปขึ้นรางวัลกันเราต้องเอาทานศีลภาวนา ไปขึ้นรางวัลเราต้องปฏิบัติทำทานรักษาศีลและภาวนาไปแล้วรางวัลต่างๆตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับนี่คือวิธีขึ้นรางวัลวิธีสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจ ของตนเองและของผู้อื่นตามลำดับต่อมาต้องสร้างด้วยการทำทานสร้างด้วยการรักษาศีลสร้างด้วยการภาวนาการทำทานก็คือให้เราเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินความจําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ไม่ให้เอาเงินทองเหล่านี้ ไปซื้อยาเสพติดมาให้ใจเสพยาเสพติดของใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้เป็นเหมือนยาเสพติดให้เอามาซื้ออาหารให้กับใจอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานใจจะได้มีกำลังที่จะรักษาศีลได้ที่จะภาวนาได้ ใจจะได้มีเวลาไปรักษาศีลไปภาวนาไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินแล้วก็เอาเงินนี้มาซื้อยาเสพติดให้กับใจคือเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆแทนที่ใจจะอิ่มใจจะมีกำลังใจกับหิวโหยต้องซื้อสิ่งต่างๆซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมา บำลงบำเล อ, อยู่เรื่อยๆซึ่งก็เป็นเหมือนกับซื้อยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดนี้รูปร่างจะผอมโซเพราะจะไม่อยากรับประทานอาหารอยากจะเสพยาเพียงอย่างเดียวจะเสพเพราะเวลาไม่ได้เสพแล้วมันทุกข์มันทรมานเวลาเสพก็มีความสุขชั่วคราวแล้วพอฤทธิ์ของยาหมดไป ก็อยากจะเสพมาใหม่เสพใหม่อีกถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อยาเสพติดของใจคือเอาไปทําตามความอยากต่างๆเอามาทําบุญแทนก็จะเป็นเหมือนกับการซื้ออาหารให้กับใจเวลาเราทําบุญทําทานเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความพอใจทําให้เราจะมีกําลัง ที่จะไปรักษาศีลและไปภาวนาได้นี่คือขั้นแรกที่เราต้องทำกันถ้าเรายังมีข้าวของเงินทองที่มากเกินไปไม่ควรจะเก็บเอาไว้เพราะมันจะเป็นภาระดวงเนวจิตใจไม่ให้มีเวลาไปรักษาศีลไปภาวนานั่นเองแล้วก็จะไม่มีกำลัง ที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาพอจะติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายติดกับยาเสพติดเราจึงต้องรู้จักใช้เงินทองเพื่อให้เกิดประโยชน์กับใจอย่าใช้ให้เกิดโทษกับใจการใช้ให้เกิดโทษก็คือการเอาไปใช้ตามความอยาก สประการคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าเราเอาเงินทองไปสนับสนุนกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เท่ากับการที่เราไปซื้อยาเสพติดมาเสพนั่นเองแต่ถ้าเราเอามาทําบุญทําทานอามาสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเวลาที่เราเห็นเขาได้รับความสุขจากการช่วยเหลือของเราเราก็จะมีความสุขมีความพอใจมีความดีใจแล้วจะทำให้เรานี้ไม่อยากจะทำบาปไม่อยากจะเบียดเบียนใครก็เลยทำให้การรักษาสีนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดาย ผู้ที่ทำบุญทำทานนี้จะรักษาศีลได้ง่ายกับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทำทานเพราะผู้ที่ไม่ทำบุญทำทานก็คือพวกที่ผู้ที่ชอบใช้เงินทองไปซื้ อ, อยาเสพติด น, นั้นเองก็จะไม่มีความคิดที่จะช่วยเหลือใครสงเคราะห์ใครเพราะอยากจะหาความสุขให้กับตนเองเพียงอย่างเดียว พวกที่ชอบไปเที่ยวไปซื้อของอะไรต่างๆมาเสพนี่จะไม่ค่อยชอบทาบุญกันเพราะทำบุญแล้วก็จะไม่ได้เอาเงินไปซื้อของต่างๆไปทำตามความอยากต่างๆกันนั่นเองก็เลยจะไม่มีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับคนที่ทาบุญแล้วก็จะไม่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้เพราะยังคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เพราะเวลาที่จะหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ตามความอยากนี mm. ้ก็อยากจะได้ง่ายๆได้เร็วๆได้มากๆซึ่งวิธีที่จะได้ง่ายๆได้มากๆได้เร็วๆก็คือต้องทําบาปกันต้องโกหกหลอกลวงกันต้องช่อโกองกัน ก็จะทำให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้ยากสำหรับผู้ที่ใช้เงินทองไปเพื่อทำตามความอยากต่างๆไม่เหมือนกับผู้ที่ใช้เงินทองไปกับ ก, บการทำบุญทำทานจิตใจจะมีความไม่ตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะทำให้ไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่น ก็เลยทำให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายพอสามารถรักษาศีล5ได้แล้วก็จะสามารถเพิ่มขึ้นไปเพื่อรักษาศีลแปดต่อไปได้เพราะว่าการที่จะไปภาวนาไปสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจจําเป็นที่จะต้องมีศีลแปดเป็นพู สนับสนุนเป็นผู้ให้กําลังเพราะถ้าไม่มีศีลแปดใจก็จะไหลไปกับกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่เป็นเหมือนยาเสพเหมือนกับการเสพยาเสพติดนั่นเองคือถ้ายัางรักษาศีลแปดไม่ได้ก็ยังจะต้องไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนนะ ย่งจะต้องไปหาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเวล่ำไม่มีเวลารับประทานตามความอยากแล้วก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเช่นไปดูมหส์สศพไปไปแหล่งบันเทิงต่างๆไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆแล้วก็ต้อง แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงามให้กับร่างกายนะก็จะเป็นความสุขแบบปลอมความสุขแบบชั่วคราวแล้วก็จะเอาเวลาอันมีค่าไปทำให้ไม่มีเวลามาภาวนาไม่มีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบนะผู้ที่ต้องการที่จะภาวนาทำใจให้สงบจึงจำเป็นที่จะต้อง สัมรวมอินทรีย์คือสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ส่งไม่เปิดวาวรทั้งห้านี้ให้ใจออกไปหาความสุขต่างๆเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีทุกขตามมาทีหลังต้องการให้ใจเข้าข้างในเข้าไปหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบ ใจจะสงบได้ต้องปิดตาหูจมูกดิ่นกายต้องไม่ให้ปล่อยให้ออกไปข้างนอกเพอถ้าไปแล้วก็จะไม่เข้าข้างในนั่นเองเมื่อไม่เข้าข้างในก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่ดีกว่าที่วิเศษกว่าความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกดิ่นกายจึงจำเป็นที่จะต้องปิดทวารทั้งห้าด้วยการ ใช้ศีลแปดเป็นเครื่องมือถ้าถือศีลแปดแล้วก็จะไม่สามารถออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็จะทำให้มีเวลาที่จะมาดึงใจให้เข้าข้างในได้ใจถึงแม้ว่าจะมีศีลปิดทวารทั้งห้าแล้วแต่ใจก็ยังดิ้นไปตามความคิดต่างๆได้ ยังมีความอยากได้ใจก็ยังจะไม่สงบถ้ายังคิดไปในทางความอยากอยู่ก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือในการดึงใจให้หยุดคิดดึงใจให้เข้าสู่ข้างในถ้าไม่มีสติใจก็ยังจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดถพะได้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีศีลคอยกั้นเอาไว้แต่ถ้า ไม่มีสติคอยดึงความคิดไม่ให้ไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสถ้าปล่อยให้คิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสก็จะรักษาศีลได้ไม่นานอาจจะมาอยู่วัดได้วันสองวันก็ทนไม่ไหวแล้วอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโคตรทพะแล้วใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นนอกจากการรักษาศีลแปดแล้ว สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือสติต้องเจริญสติต้องมีสติดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพะเพราะถ้าคิดแล้วก็จะเกิดความอยากแต่ถ้าไม่คิดก็จะไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะสงบใจก็จะนิ่งแล้วใจก็จะมีความสุขได้ นี่คือขั้นตอนพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็ขยับขึ้นมารักษาศีลแปดกันอาจจะลองทดลองอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนวันพระหรือวันหยุดทำงานมาถือศีลแปดกันแล้วพอเราทำได้วันหนึ่งเราก็อาจจะทำเพิ่มจะ ต, ต้องทำควบคู่ไปกับการภาวนาถือศีลแปดแล้วก็ต้อง อยู่คนเดียวอย่ายุ่งเกี่ยวกับใครถ้าไปปีกวิเวกตามสถานที่สงบสงัดได้ก็ควรไปเพื่อที่จะได้มีเวลาจเจริญสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งที่จะคอยคิดไปในทางความทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีสติคอยดึงไว้คอยหยุดไว้ใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่าง พอไม่คิดความอยากทั้งสามคือกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะทำงานไม่ได้พอทพอตัณหาไม่ทำงานใจก็จะเย็นใจจะสงบใจก็จะสบายถ้านั่งเฉยๆใจก็จะรวมเป็นหนึ่งได้เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ได้แล้วจะได้รู้ว่าใจนี้กับร่างกายเป็นคนตัส่วนกัน ร่างกายเป็นดินน้ำหนุนใยเป็นอาการสาสองส่วนใจคือผู้รู้ผู้คิดไม่ได้เป็นคนเดียวกันแล้วใจก็จะมีความสุขที่ได้จากอุเบกขาทําให้ไม่หิวไม่โหยกับรูปเสียงกลิน่นรสพร้อมได้ความสุขได้อุเบกขาแล้วเวลาจิตสงบก็พยายามประครับประคองให้สงบให้ น, นาน เพราะจะได้กำลังมากขึ้นได้อุเบกขามากขึ้นได้ความสุขมากขึ้นอย่าเพิ่งนำไปไปพิจารณาในขณะจิตติดสงบอยู่พยายามใช้สติคอยประครับประคองให้สงบไปให้นานที่สุดแล้วถ้าถอนออกมาถ้าเป็นไปได้ก็พยายามกลับเข้าไปใหม่พยายามเข้าไปในสมาธิบ่บอยๆเข้าไปนานๆ ทำให้บ่อยๆทำนานๆานทำให้ชนานาญ เ, เพราะว่าเราจะได้มีที่สร้างพลังไว้สนับสนุนการเจริญปัญญาออถ้าสมาธิเรามีกําลังอ่อนจะไม่สามารถสนับสนุนปัญญาในการต่อสู้กับตันหาความอยากทั้งสามนี้ได้ออต้องมีสมาธิที่มีกําลังมากเพราะเวลาที่ออกมาจาก สมาธิแล้วพอมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสตัณหาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาถ้ามีอุเบกขาและมีปัญญาที่คอยสอนใจเตือนใจบอกใจว่าการไปทำไปหาความสุขตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์เพราะเป็นความสุขชั่วคราว เวลาความสุขที่หามาได้หมดไปความทุกข์ก็จะตามมาทันทีถ้ามีปัญญาและจิตมีอุเบกขาก็จะมีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้เพราะอุเบกขาก็คือการนิ่งเฉยนั่นเองใจก็จะนิ่งเฉยไม่ไปทำตามความอยากอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็ไม่ลิ้มรส ด, ดมกลิ่น อยากสัมผัสอะไรทางร่างกายก็ไม่สัมผัสเพราะใจะมีอุเบกขามีความสุขที่ดีกว่าจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองแล้วมีปัญญามาคอยเตือนซอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปหลงทำตามความอยากเป็นอันขาดเพราะเป็นการไปหาความทุกข์เพราะความสุขที่ได้จากความอยากจากการทำตามความอยากนี้ เป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองพอหายไปความทุกข์ใจก็จะตามมานี่คือหน้าที่ของสมาธิและของปัญญาที่จะคอยช่วยเหลือกันเป็นเหมือนมื อ, อมือซ้ายมือขวาเวลาเราทำงานนี่เรามักจะใช้สองมือเพราะมันสะดวกรวดเร็วกว่าใช้มือเดียวคนที่มีมือเดียวทำงานนี้จะสู้คนที่มือสองมือไม่ได้ คนที่มีสมาธิอย่างเดียวก็จะสู้คนที่มีสมาธิและปัญญาไม่ได้มีสมาธิก็ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากได้อย่างถาวรทำได้ก็เพียงแต่มั ง, งับความอยากไว้ชั่วคราวถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้พอเกิดความอยากขึ้นมา ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเป็นทุกข์ก็ยังทนไม่ได้ก็ต้องไปทํากันอย่างพวกเราตอนนี้ก็มีปัญญากันเรารู้ว่าการทําตามความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์แต่พอเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาเราก็สู้มันไม่ไหวเราก็ยังต้องไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดกันอยู่ก็เพราะว่าเราไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนั่นเอง สปัญญาพวกเรามีกันแล้วเพราะพวกเราฟังเทศฟังธรรมกันมาอย่างโชคโชนฟังกี่ครั้งกี่หนก็รู้อยู่แล้วว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์เพราะความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปความทุกข์ก็จะตามมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะสู้กับความอยากได้ พออยากจะดื่มอะไรก็ต้องไปดื่มถึงแม้ว่ามันจะเป็นทุกข์ก็ขอสุขก่อนสุขจากการได้ดื่มแล้วพอมันหมดแล้วมันจะทุกข์ค่อยว่ากันใหม่พอมันทุกข์ก็ไปหามาดื่มใหม่มันจะไปทุกข์ตอนที่ไม่สามารถหามาดื่มได้เช่นตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอมาพอมภาะไม่สามารถหาสิ่งต่างๆมาเสพได้ ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจแล้วก็จะมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายตามมานี่คือเรื่องของปัญญาเรามีกันอยู่แล้วแต่เราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบขาที่จะทำให้ใจอยู่เฉยๆได้เราจึงต้องมาฝึกทำใจให้นิ่งให้อยู่เฉยๆกัน เพราะถ้าเราสามารถทำใจให้นิ่งให้อยู่เฉยๆได้แล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากเราก็จะสู้กับความอยากได้เพราะเราจะรู้ว่าการไปทำตามความอยากเป็นการไปหาความทุกข์นั่นเองถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราเดิมนี่เป็นยาพิษเราจะไปเดิมกันไหมเราไม่เด่มเด็ดขาดแต่เราไปเราไม่รู้เราคิดว่าเป็ น, นเป็นเครื่องดื่มอันโอชะกัน ก็เลยไปดื่มกันเด่มแล้วก็มาทุกทีหลังเพราะเวลาไม่ได้ดื่มนั่นเองอันนี้เราต้องมีทั้งสองอย่างสมัยนี้พวกเรามีปัญญากันแล้วเพราะปัญญาที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันสามารถนำเอาไปใช้ฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาได้ถ้ามีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน แต่ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถที่จะสู้กับกิเลสสู้กับตัณหาความอยากได้ดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกสติกันมาสร้างสมาธิกันสร้างอุเบกขากันสร้างความสงบให้แก่จิตใจสร้างความสุขให้กับจิตใจเพราะเมื่อเรามีความสุขที่ดีกว่าจากการไปดื่มไปไปรับประทานเราก็ไม่ดื่มไม่รับประทานได้ อยู่เฉยๆได้พอเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกำลังไปแล้วมันก็จะหมดกำลังคนที่ขืยความอยากได้ก็จะไม่มีความอยากมาคอยรบกวนใจเช่นคนที่เคยติดบุหรี่หรือติดสุราเวลาอยากถ้าไปทำตามความอยากมันก็จะมีให้ทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะอยากไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามีกําลังสู้มันได้มันอยากก็ไม่สูบมันอยากก็ไม่ดื่มพอไม่สูบไม่ดื่มไปความอยากมันก็จะอ่อนกําลังไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดกําลังไปต่อไปก็จะไม่รู้สึกอะไรกับบุหรี่ไม่รู้สึกอะไรกับสุรายาเมาพราะไม่มีความอยากความอยากมันหมดกําลังไปมันหมดด้วยการไม่ทําตามความอยาก การไม่ทําตามความอยากได้ก็ต้องมีปัญญาคอยชีย้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็มีสมาธิมีอุเบกขาที่จะอยู่เฉยๆไม่ไปทําตามความอยากเพราะมีสมาธิมีอุเบกขามีความสุขอยู่ที่ดีกว่าก็เลยไม่ต้องไปเพิ่มความสุขที่ด้อยกว่าคือความสุขที่ได้จากการดื่มสุราหรือสูบอะไร นี่คือเรื่องของอาการขึ้นรางวัลที่หนึ่งการขึ้นการได้ความสุขอันถาวรได้บรล ม, มาสุขได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย อ, าอันนี้ต้องเราต้องไปขึ้นรางวัลกัน ต้องดำเนินตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือต้องปริยัติต้องปฏิบัติต้องปฏิเวทถ้าเราไม่รู้วิธีขึ้นรังวันเราก็ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมอันนี้เรียกว่าปริยัติพอเรารู้จากวิธีขึ้นรังวันแล้วคือต้องทําทานต้องรักษาศีลต้องภาวนา เราก็ไปปฏิบัติกันเอาไปปฏิบัติมีเงินทองเข้าของอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าต้องเก็บเอาไว้ก็แบ่งปันกันไปอย่าเอาไปซื้อตามความอยากอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะจะเป็นการซื้อยาเสติดจะทำให้ใจไม่มีกำลังที่จะไปรักษาศีลศีลห้าศีลแปดไปภาวนาต้องอย่าใช้เงินทองไปตามความอยากเอาเงินไป ช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วจะทำให้ใจมีอาหารหล่อเลี้ยงทาให้มีกำลังมีความสุขมีความอิ่มมีความพอที่จะรักษาศีลได้แล้วพอรักษาศีลได้ก็จะมีกำลังที่จะไปภาวนาได้มีเวลาที่จะไปภาวนาพอจะได้ไม่ต้องไปทำกิจกรรมที่ ที่เป็นโทษกับจิตใจคือกิจกรรมทางร่างกายแล้วเราก็จะมีเวลาภาวนาได้อย่างเต็มที่ไปปีกวิเวกตามสถานที่สงบสงัดได้ไปเจริญสติควบคุมความคิดอยู่อย่างต่อเนื่องต้องทำตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มาทำเฉพาะตอนที่มานั่งสมาธิเพราะจะไม่มีกำลังพอ จะต้องหัดทําตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติเลยถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใช้ร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้เกาะติดอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายแล้วความคิดต่างๆก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้แล้วพอนั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่อุเบกขาได้ เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้แล้วถ้าเราพยายามทําสมาธิบ่อยๆทําสมาธิมากๆเพื่อให้จิตสงบได้นานมีอุเบกขาก็จะมีกําลังมากพอมีกําลังมากเราก็เอามาใช้สนับสนุนปัญญาเวลาปัญญาพิจารณาเห็นอะไรเป็นทุกข์ก็จะได้ไม่ไปทําตามที่ความอยากบอกให้ไปทำํำเช่นการยึด ติดกับร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์ความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายนี้ตายก็เป็นความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายที่ไม่ได้ไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่อย่างใดปัญญาจะสอนใจว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปฝืนความจริงอย่าไปอยากไม่แก่ไม่ uh eu, really. เจ็บไม่ตาย ก็จะทุกไปเปล่าๆถ้าถ้าใจมีอุบเบกขาใจก็สามารถทําตามที่ปัญญาสอนได้ก็คือเฉยๆกับความแก่เฉยๆกับความเจ็บเฉยๆกับความตายใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่หวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือเป็นของผู้อื่นคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็จะเฉย ร่างกายของตนเองจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็จะเฉยเพราะใจมีอุบเบกขาแล้วก็มีปัญญาสอนใจว่าอยากไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเช่นทุกขเวทนานี้ก็คือความเจ็บนี้เองอยากไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปอยากแล้วก็จะทุกขทรมานใจต้องทำใจเฉยๆให้อยู่กับทุกขเวทนาไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ถ้าใจมีอุเบกขาใจจะวางเฉยได้ถ้าใจมีปัญญาก็จะได้รู้ว่าถึงเวลาต้องวางเฉยแล้วเวลาเจอทุกขเวทนานี้จะต้องวางเฉยจะไม่ไปอยากให้มันหายเพราะถ้าอยากให้มันหายแล้วมันจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอีกอันหนึ่งคือความทุกข์ทางใจทุกข์ที่เกิดจากสมไทยัยคือความอยากอยากให เวทนาทุกเวทนาหายไปงั้นอยความอยากนี้ต้องหยุดมันเพราะหยุดด้วยอะไรก็หยุดด้วยปัญญาที่เห็นว่าเราไปห้ามทุกเวทนาไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันเหมือนฝนฟ้าอากาศตอนนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างนี้เราจะไปสั่งให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเรามีอุเบกขาเราเฉยๆแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาอยากให้มัน เปลี่ยนไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นใจเราก็จะทุกข์ทรมานไปเปล่าๆถ้าเราเห็นทุกขเวทนานี้เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำใจเพียงอย่างเดียวก็ทำใจให้อยู่กับอุบเบกขาไปพุทโธพุทโธไปให้นิ่งเฉยไปพอใจนิ่งเฉยแล้วก็จะไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานกับทุกขเวทนานกับความตาย ตอนนี้ฝนมันเริ่มจะแสดงอาการลุนแรงขึ้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะขออนุญาต ยุติการถามตอบปัญหาดังนั้นใครอยากจะถามถามได้ในตอนนี้หรือจะรอสักคู่ก่อนก็ได้ให้ทางบ้านก็ถามก่อนก็ได้คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามราคะอยู่ในกายหรืออยู่ในจิตคะ อ, อ, อยู่ในจิตไงกายไม่มีอะไรกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเหมือนต้นไม้ต้นไม้เขาไม่มีกามไม่มีความรู้อะไร รู้สึกอะไรผู้ที่รับรู้นี่คือใจผู้ที่เกิดอารมณ์ต่างๆคือใจและการกําจัดราคาแบบเด็ดขาดต้องทำอย่างไรคะก็ต้องใช้สมาธิและปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาปัญญาก็คือต้องเห็นสิ่งที่เราลักใค่ว่าน่าเกลียดน่ากลัวไม่ใช่น่ารักเช่นร่างกายนี้เราต้องเห็นส่วนที่ไม่น่าดู ถ้าเราเห็นส่วนที่น่าดูเราก็จะเกิดความรักความคลายขึ้นมาถ้าเรามองเข้าไปในส่วนที่ไม่น่าดูมันก็จะเกิดความน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาเช่นเราเรากล้าหยิบจับกระเพาะลำไส้ของเราไหมถ้าเขาเผาออมาให้จับเนี่ยเรามีกระเพาะมีลำไส้มีหัวใจมีตับมีไตมีปอดลรวก็จับอวัยวะต่างต่างเหล่านี้ห คำถามจากคุณกระจ่างเพื่อนผมคนหนึ่งก่อนหน้านี้ปกติทุกอย่างเมื่อปีที่แล้วเขาได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตเห็นแต่หลังจากนั้นมาเขาบอกว่าเหมือนมีคนเข้ามาอยู่ที่หัวเขาและคอยด่าจนอยู่ไม่เป็นสุขไปหาหมอ ก, ก็ไม่หายตอนนี้ทุกใจมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับเพราะความอยากอยากให้มันหาย ของโมนนี้เราไปบังคับมันไม่ได้มันเหมือนฝนฟ้าอากาศมันเป็นวิบากของเรามันเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องทนไปรับรู้ไปเฉยๆสักแต่ว่ารู้สร้างสมาธิขึ้นมารับเหมือนถ้ามีสมาธิใจมีอุบเบกขาก็จะรับรู้เฉยๆได้ก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใจไม่มีสมาธิมันก็จะมีความรักชังกลัวหลงเรมีความรักชังกลัวหลงมันก็ เกิดความเครียดเกิดความทุกขขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายตามมาคำถามจากคุณกุลจิละดิฉันทุกเรื่องลูกมากค่ะลูกขึ้นมหกเทอมสุดท้ายแล้วลูกไม่ยอมไปเรียนพูดยังไงก็ไม่ไปค่ะก็อย่าไปบังคับเขาสิเราไปอยากเราก็เลยทุกถ้าเราเฉยๆเราปล่อยเขา เขาอยากจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเมื่อเราสอนกขาแล้วบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศพระเจ้าบอกทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในความควบคุมบังคับของเราได้เราควบคุมบังคับฝนฟ้าอากาศไม่ได้ฉันใดเราก็ไปควบคุมบังคับลูกเราไม่ได้นอกจากเราจับเขาไปอยู่โรงเรียนกินนอนดัดสันดาน แต่ถ้าไปแล้วถ้าเขาหนีออกจากโรงเรียนไปก็ช่วยไม่ได้ค่ะำถามจากคุณพัชราวันเมื่อเราเอาความว่างเป็นอารมณ์ธรรมแล้วเราจําเป็นต้องพิจารณาอาการ32อีกไหมคะถ้ามันไม่ว่างก็ต้องพิจารณาใจเราเราอาจจะว่างได้บางเวลาแต่พอไปสัมผัสกับอะไรขึ้นมามันก็อาจจะไม่ว่างเกิดความวุ่นวายขึ้นมาไม่ ก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาสิ่งที่ทำให้เราวุ่นวายเช่นไปหาไปเห็นคนมีรูปร่างหน้าตาหน้าดูหน้ารักหน้าใคร่ความว่างก็จะหายไปความรักความใคร่ก็จะเกิดขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาสิ่งที่เราไปรักไปใคร่ให้มันดับความรักความใคร่ถ้าเราไปรักร่างกายของใครเราก็ต้องไปดูร่างกายของเขาในส่วนที่ไม่น่าดู อย่ามองแต่เฉพาะหน้าตารูปร่างให้มองเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังเช่นให้เห็นโครงกระดูกเห็นลำไส้เห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นหัวใจถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่น่าดูน่ารักน่าใครความรักความใคร่ก็จะหายไปใจก็จะกลับมาอยู่กับความว่างได้คาถามจากคุณลียูตอนนั่งทำงานอยู่ดีๆเกิดมีอาการอารมณ์ว่างๆ เย็นเบาสบายสิ่งรอบข้างภายนอกไม่มารบ ก, กวนในจิตใจมีอาการปิติสุขอิ่มเอิบ ก, กับอารมณ์ที่เป็นอยู่ได้ยินเหมือนไม่ได้ยินเห็นเหมือนไม่เห็นผมมีสติรู้ตลอดอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรครับก็เรียกว่าความสงบความเป็นอุเบกขาคำถามจากคุณบุญมี ผมฟังเทศของพระอาจารย์เมื่อวันที่17ตุลาพระอาจารย์เทศว่าถ้าเคยฆ่าสัตว์ตายแล้วต้องไปเกิดเป็นสัตว์ก่อนค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์อยากทราบว่าถึงแม้คนที่เคยฆ่าสัตว์มาก่อนจะทำบุญเยอะขนาดไหนเวลาตายไปก็ต้องไปรับผลกรรมผลบาปก่อนหรือครับก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำว่าอันไหนมีกาลังมากกว่ากัน ถ้าบุญที่เราทำมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจไปสวรรค์ก่อนไปรับผลบุญก่อนแล้วพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็มาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วมาทำบาปมากกว่าบุญเวลานั้นน่ะถึงจะไปรับผลบาปไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างจนกว่าบุญกับบาปมันมีกาลังเท่ากันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ คำถามจากคุณสว่างเมื่อวานไปเยี่ยมแม่เพื่อนที่โรงพยาบาลท่านเป็นเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายหมอรักษาตามอาการตอนนี้ท่านจะหลับอย่างเดียวมีลืมตาบ้างการทำงานของร่างกายค่อยๆลดลงผู้ป่วยที่นอนอย่างเดียวจิตใจของท่านสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆไหมคะหรือว่ารับรู้ทุกอย่างเพียงแต่ร่างกายไปไม่ไหวคะก็ขึ้นอยู่ส ต, ติ ของแต่ละคนคนที่มีสติมากก็ยังจะรับรู้อะไรต่างๆได้คนที่มีสติน้อยก็จะเคลิมหลับไปเหมือนอยู่ในแดนสนธยาหลับๆตื่นๆแต่คนที่มีสติอย่างพระพุทธเจ้าพลาหลานนี่ท่านรู้ตลอดเวลาจนวลาสุดท้ายของลมหายใจเข้าออก และก่อนเราจะสิ้นใจให้เราดึกถึงบุญกุศลที่เคยทำแล้วจะดีแต่ถ้าบ้านปลายชีวิตเราต้องนอนอย่างเดียวการรับรู้ค่อยๆลดลงเราจะมีโอกาสและลึกถึงผลบุญที่เคยทำมาไหมคะก็อยู่ที่กำลังของสตินี่ให้ฝึกสติดีๆแล้วมันก็จะควบคุมใจให้สงบให้ใจไม่ทุกข์กับความตายได้แต่ถ้าจะไม่มีสติใจก็ อาจจะวุ่นวายกับความตายคำถามจากคุณวิไลพรขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาบอกหัวใจของพุทธศาสนาสั้นๆง่ายๆเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาค่ะคือหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวงสองยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามาำระใจให้สาหารระอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัด กิเลสตันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจคำถามจากคุณเนทกิตยาหากมีผู้ที่สามารถแยกผัสสะวิญญาณเวทนาสามารถตามรู้ได้ต่อเนื่องแม้ว่าไม่ตลอดเวลาหรือรู้ตลอดเวลาผู้นั้นเป็นอริยบุคคลหรือไม่คะไม่ได้เป็นหรอกจะเป็นได้ต้องตัดสังโยชนิสประการด้วยกันสังโยชน์มีสิบ ข้อแบ่งเป็นสองส่วนเบื้องบนกับเบื้องเบื้องล่างเบื้องล่างก็คือมีห้าสามข้อแรกก็คือการละสักกายทิฏฐิละวิจิกิละความเมงตาสงสัยวิจิกิจฉาละละศีลพัฒปารมาตการที่ยังยึดติดอยู่กับพิธีกรรมต่างๆเพื่อกาจัดความทุกข์ ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องอันนี้ก็จะทำให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันคือกำจัดสักกายทิฏฐิความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายและเวทนาความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นตัวเราของเรามันไม่ใช่มันเป็นสักแต่ว่ามันเป็นอาการเป็นธรรมชาติมาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ ไปห้ามมันไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายไม่ได้ถ้าปล่อยได้มันก็ถ้าเห็นว่ามันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้ก็ต้องละสักกายทิฏฐิสามันนี้ก็จะเป็นพระโสดาบันแล้วขั้นที่สองก็ต้องทําให้กามาราคะกับปฏิฆะความหงุดหงิดใจ ให้เบาบางลงก็จะเป็นได้ทําขั้นที่สองบาลีะบุคคลขั้นที่สองขั้นส ก, กิรดาคามีขั้นที่สมก็คือละสังโยชน์คือปฏิฆะกับการมราคะได้อย่างถาวรได้อย่างร้อยเปซก็ได้ขั้นที่สมคือขั้นพระอนาคามีพอขั้นที่สนี้ก็ต้องไปละสั ง, สงโยชน์เบื้องบนที่มีอยู่5้าข้อคือหนึ่งรูปราคะความ ความใข่ความยินดีในรูปประชานอรู ป, ปรคาคะความยินดีในอรูปในอรู ป, ปรานแล้วก็มานะการถือตัวอุทธัจจะความพุ่งสร้างและขั้นสุดท้ายก็อวิชชาความไม่รู้อริยสัจ ท, ที่มีอยู่ในจิตอันนี้เป็นสังโยชน์อีกห้าข้อที่จะทำให้ บุคคลนั้นได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาคำถามจากผู้ฝากถามในทางธรรมสอนว่าทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราจะมีความสุขแต่ในทางปฏิบตัติกรณีกับคนที่เรามีอคติมันยากมากกับการที่จะยอมเสียสละเพื่อให้เขามีความสุขขอเมตตาหลวงพ่อให้อุบายวิธีวางใจเพื่อให้ใจมีความสุขกับการยอม ก็ต้องมาฝึกเจริญสตนะิเพื่อทำใจให้สงบให้ใจเป็นอุเบกขาถ้าใจสงบใจเป็นอุเบกขาได้ความรักความชังความกลัวความหลงก็จะหายไปเราก็จะทาให้เราไม่ชังคนที่เราไม่ชอบเราก็จะแผ่เมตตาให้กับเขาได้ในที่นี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมยกมือขึ้นเอาเข้ามาสิเข้ามา ก็มาที่ไมโครโฟนก็ผมม า, า, าขอกราบขอเข้ามาอาจารย์ที่เคยคิดไม่ดีครับแล้วก็มีคําถามว่าทําไมเวลานั่งสมาธิแล้วใจถึงคิดเคยคิดไม่ดีกับพระอาจารย์ครับก็เป็นปกติคนใจเราบางทีมีรักมีชังถ้าชังใครก็จะคิดไม่ดีกับเขาถ้ารักเขาก็จะคิดดีกับเขา อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของใจที่ยังไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเห็นอะไรชอบก็จะคิดดีกับสิ่งที่เราชอบเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็จะคิดดีกับสิ่งที่เราคิดไม่ดีกับสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นพยายามฝึกสติทาใจให้เป็นอุเบกขาแล้วจะเฉยๆครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ b บ o k คล v ฟนะครับคำถามจากคุณปัตมานะครับ จิตกับเจตสิกมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเมื่อวานยังไม่ได้คำตอบค่ะควรจะเข้าไปเสิร์ชใน g o o ก l e จะดีกว่านะถ้าเราตอบล้าอาจจะไม่แม่นนะจิตก็คือตัวรู้เจตสิกก็คือสิ่งต่างๆที่ปรากฏในจิตเรียกว่าเจตสิกเช่นอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เรียกว่าเจตสิก แต่ถ้าจะให้แม่นลองไปไปไ ป, ไปเปิดไปถามใน Google เด๋ยวคำถามจากคุณชุดทรมนนะครับที่บ้านเป็นร้านขายของชำ ม, มานานกว่าสามสิบปีของที่ทำรายได้หลักของร้านคือเหล้าบุหรี่ซึ่งหนูรู้ว่ามันเป็นสินค้าบาปอยากให้แม่เลิกขายซึ่งท่านก็อายุมากแล้วและสุขภาพก็เริ่มไม่ดี ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำว่าจะพูดกับท่านให้เลิกขายโดยไม่ต้องเสียดายของที่ยังเหลืออยู่อย่างไรดีคะวิธีดีก็คืออย่าไปยุ่งกับท่านปล่อยให้ท่านทำไปเราก็จะได้สบายใจความอยากของเราเลยทำให้เราไม่สบายใจอันนี้เขาเคยทามาอย่างไรเขาก็ติดเป็นนิสัยมันก็เลิกยาก งั้นก็ถ้าเขาไม่ขอความเห็นจากเราเราก็อย่าไปพูดดีกว่าเพราะพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูเราสั่งสอนเราเราไม่มีหน้าที่ที่ไปสั่งสอนพ่อแม่งั้นเร า, าหัดทำใจอะดีกว่าทำใจว่ามันเป็นกรรมของของของเขาแล้วกันเขาเคยทำอะไรวาเขาก็จะทำต่อไปจนกว่าเขาจะ เห็นว่ามันไม่ดีของเขาเองเขาก็เลิกเองแต่ถ้าเราไปบอกเขาเขาอาจจะต่อต้านและจะทำให้เขาไม่สบายใจทุกใจไปกับเราอยู่ด้วยกันแทนที่จะมีความสุขกับอยู่กันอย่างมีความทุกข์เพราะมีทัศนคติไม่ตรงกันคำถามสกุลจักระพงนะครับคนที่ฝึกจิตมาเวลาป่วยทุกทรมานจะดูใจอย่างไร คนที่ฝึกจิตมาเขาก็จะรู้จากวิธีรักษาจิตไม่ให้ทุกข์ทรมานไปกับร่างกายเขาจะทำใจให้สงบรักษาอุเบกขาไว้แล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่กระบไม่กระทบกระเทือนใจคำถามจากคุณสวนมะนาวนะครับการที่เราเอากระดูกพ่อส่วนหนึ่งเอาไปลอยอังคารอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่บ้านสมควรไหมครับ แล้วแต่อันนี้มันจะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ไม่มีไม่มีสาร ะ, ระไม่มีประเด็นอะไรทั้งนั้นหมดคำถามครับพระอาจารย์ถามกันม า, มากแล้วก็เลยไม่รู้จะถามอะไรไงพี่กา อ, อยากจะถามอะไรอีกไหมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคืออยากถามพระอาจารย์ว่าเวลาทำสมาธิเรายังมีความคิดอยู่ แล้วก็พยายามมันจะสลับกันระหว่างพุทโธแล้วก็ความนึกคิดของเราค่ะพระอาจารย์ก็มันเหมือนสองฝ่ายดึงกันไปดึงกันมาชักกระเยอะกันปกติมันจะมีฝ่ายเดียวก็คือความคิดมันจะคิดของมันเรื่อยเปื่อยคนที่ไม่เคยฝึกสตินี่จะไม่มีการยับยั้งความคิดของตนความคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยๆแต่พอเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราได้ยินว่าการหยุดความคิดได้นี้เป็นประโยชน์เป็นความสุขกับใจ เราก็เลยเริ่มมาต่อสู้กับความคิดที่ใหม่ๆเขาก็ยังเป็นเหมือนแชมป์แชมป์แชมป์โลกอยู่เราก็เป็นเหมือนเพียงเพียงผู้เพิ่งมาหัดชกใหม่ๆก็สู้เขาไม่ได้สู้สู้ได้หมัดสองหมัดเขาก็เขาก็เขาก็ากชกเราล้มไปแล้วนั้นใหม่ๆเราก็พุทธโทได้ปับ๊บปับเดียวเดี๋ยวก็ไปคิดใหม่แล้วแต่ถ้าเราพยายามพุทโธไปเรื่อยๆสู้ขเขาไปเรื่อยๆ ต่อไปพุโทโธก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วในที่สุดก็สามารถจะหยุดความคิดได้เน้นถ้ายังหยุดไม่ได้ก็อย่าท้อแท้ขอให้พยายามทำต่อไปให้คิดว่าเรากำลังท่าท า, ทาชิงแชมป์โลกเราเพิ่งเป็นคนเพิ่งหันมาชกงั้นต้องใช้เวลาฝึกซ้อมไปเรื่อยๆก่อนก็อย่างระยะเวลาที่ทำหนูจะเดินจงกรม30มนาทีก็จะคิดอยู่ตลอด30 นั่ง30ก็หนูก็จะคิดอยู่งั้นแต่เวลาหนูมาฟัางธรรมกับพระอาจารย์ที่สารานี้ไม่มีความคิดเลยจิตจะอยู่นิ่งก็ฟังธรรมไปก่อนเนี่เดินจงกรมก็เปิดฟังเปิดซีดีเปิดอ็มสครับใส่ไปในหูก็เดินฟังไปตอนต้นอาจจะต้องใช้การฟังธรรมเป็นตัวสร้างสติขึ้นมาก่อนหรือฟังในขณะนั่งก็ได้นั่ ง, งพอฟังไปสเสร็จแล้วก็อย่าพิ่งเลิกฟัง ถ้าฟังไปแล้วจิตสงบในระดับหนึ่งมีสติก็ดูลมต่อไปพุทโธต่อไปแล้วอย่างอย่างเราเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนทรัพย์ของใครเราใช้ทรัพย์ของเราแล้วยังเอาทรัพย์ของเราจนเจือคนอื่นที่เขาเดือดร้อนแต่เขาก็ยังด่าว่ากล่าวเราหนูก็พยายามนึกถึงคำสอนของพ่อาจาั์ที่ครั้งที่แล้วที่มาฟังทำที่พ่อาจาย์บอกว่าถ้ามีใครที่ทาให้เรา ชอบใจหรือไม่อไม่ถูกใจก็ให้อุเบกขาแล้วก็ปล่อยวางไปหนูก็พยายามทําอยู่แต่บางทีมันก็ทําไม่ได้ครับพระอาจารย์ก็คิดเสียงก็เหมือนเสียงฝนตกไงใช่ไหมฝนตกเราไปอยากให้มันหยุดไหมเราไม่ทุกข์กับมันใช่ไหมก็ปล่อยมันตกไปสิกายจะด่าเราก็ปล่อยก็ด่าไปเราเฉยเฉยก็หมดมันก็หมดปัญหาไปพุทโธพุทโธไปถ้ามันไม่ยอมเฉยก็พยายามพุทโธพุทโธไป แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยความรักชังยังมีมากพอไปสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่รักเราก็โกรธขึ้นมาแต่ไม่ได้แสดงอาการออกไปใช่มันก็ยังโกรธอยู่มันก็อยู่ในใจเรนเดลเรามีสติกันแม้มันแสดงออกมาภายนอกแต่ไม่มีสติหยุดมันก็สติยังไม่เต็มร้อยเกได้50สบหยุดการระบายออกมาทางกายทางวาจาได้แต่ยังหยุด การแสดงภายในใจไม่ได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นไปต่อไปสาธุเจ้าค่ะถ้าจิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็จะหยุดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คำถามจากคุณจามจุรีนะครับนั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบนิ่งวางอุเบกขาพอมีเหตุการณ์ที่ไม่พอใจจนบางครั้งไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองเป็นแบบนี้ต้องทำอย่างไรเจ้าคะ ไม่เข้าใจยังไงคือถ้าเป็นอุเบกขาแล้วมันก็มันจะไม่มีอารมณ์กับใครนะใครจะพูดอะไรใครจะทําอะไรก็เฉยถ้ามีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมารักบ้างชังบ้างกลัวบ้างหลงบาง้างนั้นเราต้องการอุเบกขาเพราะเบกขาจะให้ความสุขกับใจนั่นเองเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราจะสามารถ รักษาไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดถ้าเราไปพึ่งความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจเราก็ต้องมีวันพลาดภาคจากเขาไปเวลาที่มีการพลาดภาคจากกันเวลานั้นก็เป็นเวลาเศร้าโศกเสียใจคำถามจากคุณต่อพงพักนะครับอยากถามอุบายในการฝึกมุทิตาจิตเช่นบางคนได้ลาบส ก, การะจากงาน โดยที่ไม่ใช่มาจากความสามารถของเขาบางทีเรารู้สึกว่าไม่แฟร์เราควรทำใจอย่างไรครับคือเราต้องยอมรับว่าการที่คนเราได้อะไรมานี้มันไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถอย่างเดียวมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นหลายอย่างด้วยกันเขาจะให้ด้วยความเสน่หาก็ได้เขาอาจจะชอบเขาอยากจะหรือเขาอาจจะมีบุญคุนกันมาในอดีตที่เราไม่รู้ก็ได้ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองภาพเพียงมิติเดียวว่าเขากับเราเหมือนกันทำงานเหมือนกันทำไมคนนี้ได้ดิบได้ดีเราไม่ได้ดิบไม่ได้ดีเราอาจจะมองไม่เห็นมิติอื่นที่เขามีต่อกันก็ จ, จะมีความผูกพันกันมามีความเคยช่วยเหลือกันมาเคยสงเคราะห์กันมาหรือเขาอาจจะชอบใจกันพอใจกันเราก็มีเหมือนกันกับคนบางคนทําไมเราชอบใจพอใจ ทั้บางคนเราก็ไม่ชอบใจไม่พอใจคนที่ชอบใจเราก็ยินดีให้มีอะไรก็อยากจะให้เขาคนที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่อยากจะให้เขาเรากับเจ้านายอาจจะมีอะไรไม่พอใจกันก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบใจเราก็ได้อันนี้เราต้องคิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่ความสามารถเพียงอย่างเดียวมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันงั้นทางที่ดีที่สุดก็คือให้ทาใจว่าเป็นอย่างนี้แหละโลก ไม่มีอะไรที่จ ะ, ะเหมือนกันทุกอย่างนิ้วเรายังมีขนาดไม่เท่ากันเลยแล้วเรื่องอะไรที่จะให้คนที่ทำงานร่วมกันนี้ได้รับอะไรเท่ากันหมดทุกคนก็มีมีได้มากได้น้อยบ้างต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยและเราขาดปัญญาเราเลยมองไม่เห็นเท่านั้นเองนั้นขอให้เรามองที่ผลว่ามันเกิดจากเหตุที่ ที่เขาได้เพราะเขามีเหตุที่เราไม่ได้เหตุที่เขาได้นั้นเราไม่มีเหมือนเขาดังนั้นก็อย่าไปอย่าไปเสียใจอย่าไปทุกข์ใจรอนก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามจากคุณบุญมีนะครับพูดกับพี่เพื่อนจะไปค้างบนเขาคืนนี้แต่ฝนตกหนักมากถ้าไปเสื้อผ้ามุง้งที่เตรียมคงเปียกเพราะขับมอเตอร์ไซค์ไป ถ้าไม่ไปจะผิดคำพูดถือว่าโกหกไหมครับจะปฏิบัติอยู่ห้องแทนก็อยู่ที่เราพูดไว้ยังไงถ้าพูดจะไปก็ต้องไปแต่ถ้าพูดแล้วมีข้อแม้บอกว่าถ้าฝนตกก็ไม่ไปก็ก็ไม่เป็นไรงั้นก่อนจะพูดอะไรต้องคิดให้ดีก่อนมีมีมีคำพูดที่ก็บอกว่าก่อนที่เราจะพูดนี่เราเป็นเจ้านายมัน แต่พอเราพูดแล้วมันมันเป็นเจ้านายเราพอพูดแล้วมันก็จะมาสั่งเราว่าต้องทําตามที่พูดเนี่ยงั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรคิดให้ดีให้ก่อนนะเราจะพูดก็พูดในทางที่มันมีช่องออกได้ อ, อย่าไปพูดแบบมัดตัวเองอพูดไปก็ต้องมีข้อแม้วงเล็บท่าถ้าฝนไม่ตกถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ก็จะไปตามที่พูด ขนาดหลวงตาท่านยังมีข้ออ้างเลยเวลาที่ท่านปฏิบัติเช่นท่านจะนั่งทั้งคืนนั่งสมาธิทั้งคืนเนี่ยท่านก็บอกว่าจะนั่งไม่ลุกเนี่ยยกเว้นว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์หรือกับพร ะ, ะที่อยู่ด้วยกันที่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือทำไปงั้นเรา่อนที่เราจะตั้งใจตั้งอธิษฐานก็ ค, คิดให้ดูก่อนว่าเราจะสามารถทา ได้หรือไม่ถ้าทําไม่ได้ก็ควรที่จะหามีข้อแม้แล้วมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างไว้จะได้มีทางออกได้ใดก็ไม่ดีอย่างเดี๋ยวมันก็จะหาทางออกทางนั้นอยู่เลยก็แล้วแต่อย่างพระพุทธเจ้านี่ไม่มีทางออกเลยเวลาทรงนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพ ท, ท่านก็บอกว่าจะนั่งไปจนกว่าอันนี้วนไปนั่งศารานุ่นดีกว่านะขึ้นมาไม่ได้หรอกพระไม่มีที่นั่ง ไปไปนั่งศาลาโน้นไปทางนี้ญาติโยมเต็มไปหมดอย่างพระพุทธเจ้านี้ถ้าไม่ไม่ยอมไม่มีทางทางออกเลยพระธาตุาามีตายอย่างเดียวถ้าไม่ตัดสรู้ก็ตายอย่างเดียวอยงนั้นถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็ไปเถอดเปียกก็ใหมันเปียกไป อ, อาบน้ํายังเปียกได้นี่ไปนั่งภาวนาเปียกได้ประโยชน์มากกว่าอาบน้ําทําไมไม่ไปอ คำถามจากคุณโมนีนะครับเวลาหลับแล้วฝันว่าไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปพอตื่นขึ้นมาก็ยังจําได้และรู้สึกว่าเหมือนเคยไปซึ่งเป็นอยู่บ่อยๆเกิดจากอะไรคะเกิดจากความจําของเราไงความจําของเราเราอาจจะระลึกถึงเหตุการณ์หรือสถานที่ต่างๆที่เราเคยไปมาแต่ในขณะเวลาเราตื่นเราจะมีเรื่องอื่นเข้ามามาคิดมาจําเราก็เลยจํา เรื่องที่เราจำได้มันก็เลยถูกเก็บไว้อยู่ข้างล่างแต่เวลานอนหลับนี่ไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาให้เรารับรู้ความจำเก่าๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้ในความฝันของเรานี่ส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตนะถ้าหนึงบอกว่าถ้าเราทำดีเวลานอนหลับก็จะฝันดีถ้าเราทำบาปนอนหลับก็จะฝันร้ายเพราะว่ามันจะ ผล่ขึ้นมาตอนที่เรานอนหลับคําถามจะคุณเกียงศักนะครับเวลานั่งสมาธิไปแล้วในระดับหนึ่งความคิดของเราจะมีการต่อสู้กันระหว่างความคิดที่ดีกับความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราจะทําอย่างไรครับแล้วก็มาพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดที่ให้นั่งนี้ต้องมีอะไรคอยควบคุมความคิดไม่ใช่ปล่อยให้มันคิดไปในทางใดทางหนึ่ง หรือทั้งสองทางอันนี้ไม่ใช่วิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องนั่งสมาธิต้องมีอะไรมาควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็าตามเช่นให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวหมดแล้วใช่ไหมหมดครับอาจารย์เอามาแล้วถามต่อนมัส ก, การหลวงพ่อ ปัจจุบันนี้หนูเวลารับฟังเรื่องราวที่เราไม่พอใจอะค่ะพัชการแล้วหนูจะไม่ตอบโต้ไม่เถียงแล้วหนูจะเดินหนีเจ้าค่ะถูกทําถูกไหมเจ้าคะก็ถูกในระดับหนึ่งคือถ้าไม่หนีได้ยิ่งดีอ่ะอ๋อค่ะทุกที่บุตรหนีจะจริงอันยังนีก็แสดงว่าใจเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะฟังเสียงที่ไม่ถูกใจ เราต้องเฉยๆได้กับเสียงนั้น ส, สมมุติว่าอยู่ในกลุ่มเขาพูดที่สิ่งที่เราสิ่งที่ที่เราคิดว่าเขาไม่ถูกเราต้องยอมรับฟังสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมเจ้าคะแล้วเราก็เฉยๆใช่ไหมเจ้าคะถ้าเราเฉยๆได้โดยที่เราไม่ต้องหนีได้ก็ดีแต่ก็หนีก็ไม่เป็นไรแต่อย่าหนีเพราะว่าเราไม่อยากฟังหนีเพราะว่ามันไร้สาระฟังแล้วมันเหมือนฟังขยะอันนี้ก็อย่าไปฟังแต่อย่าไปหนีเพราะว่าเราเราอยากหนี แต่หนีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ฟังออย่างนั้นก็หนีได้แต่ยันหนีด้วยความอยากหนีเพราะนี่มันเป็นกิเลสความอยากนี้นี่ยังเป็นกิเลสอยู่แต่หนูหนีเพราะว่าไร้สาระเจ้าค่ะถ้า ง, งั้นก็ไปได้สาธุค่ ะ, ะคําถามจากคุณนางฟ้านะครับเดินจงกรมครั้งละครึ่งชั่วโมงสลับนั่งสมาธิ ครึ่งชั่วโมงปฏิบัติอย่างละสามครั้งต่อวันจิตเป็นสมาธิสงบดีค่ะระหว่างวันก็จะบริการพุทโธถ้าไม่เผล อ, อยากทราบว่าเราสามารถพิจารณาอาสุภะระหว่างนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือยืนขณะยืนเดินนั่งนอนได้ตลอดหรือเปล่าคะเพื่อให้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงก็มันอยู่ที่ว่าเรา ปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่ออุเบกขาเราก็ไม่ควรพิจารณาแต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วมีความสงบแล้วเราจะปฏิบัติเพื่อปัญญาและก็พิจารณาได้แต่เราควรจะรู้ขั้นตอนว่าเราอยู่ขั้นไหนเพราะขั้นตอนแรกนี้ท่านต้องการให้เราสร้างความสงบขึ้นมาก่อนสร้างสมาธิสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อน พอเรามีสมาธิมิลเบคขาแล้วเราจะไปทางปัญญาก็ไปได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราไปทางปัญญามันก็จะไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับกิเลสตัณหาได้คำถามข้อต่อไปจากคุณฟิกนะครับนั่งสมาธิบางครั้งแล้วรู้สึกว่าใจเราอยู่แยกกับร่างกายแต่ใจสบายสงบแล้วต้องปฏิบัติ ต่อไปอย่างไรครับแต่นั่งได้นานแต่ได้แต่นั่งได้ไม่นาน15ถึง20่สินาทีก็พยายามให้มันสงบตอนที่ออกจากสมาธิมาเวลามาทำงานมาสัมผัสรับรู้อะไรก็พยายามประคับประคองใจให้สงบไปเรื่อยๆเสียงดังมากนะ่าอขาดแล้วะอ่นแต่่วาเเอออีงงััดกนลย ก็อย่างนี้แหละอันนี้จังเป็นอย่างนี้ไม่แน่นอนฝน ฟ, ฟ้าอากาศทุกอย่างไม่เที่ยง อ, อย่างพรุ่งนี้ก็ไม่มีการแสดงธรรมหนึ่งวันก็อออขอย้ำไว้หน่อยเดี๋ยวท่านที่ไม่รู้มาแล้วแต่มาเขาคงไม่เข้ามาหรอกก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาน ะ, ะใครอยากจะนั่งสมาธิต่อก็นั่งได้ใครอยากจะกลับก็กลับได้ พ็อตอนนี้ฝนมันตกก็ขอให้ท่านจงนาวเบาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพพเพลิดเพลินามไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด